อย่างทุก ว, วันนี้เราก็ต้องซ้อนผ้าด้วยนะซ้อนผ้าสังคากับกีวรเราต้องซ้อนสองตัวไปบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมวัดป่าเราต้องซ้อนผ้าเราไม่เอาความสบายเข้าว่าเอาความสบายก็คือสบายตามใจฉันะทำยังไงก็ได้แต่มันไม่เป็นระเบียบมันไม่เป็นข้อบัตปฏิบัติครูบาอาจารย์จะให้ซ้อนผ้าไปบิณฑบาต บงชีวรนสังคาเข้าไปบินถบัานในบ้านซ้อนสังขาก็ับซ้อนให้เป็นผ้าที่ซ้อนสองชั้นซ้อนสองผืนชีวอสังขาซ้อนไปแล้วมันเตนสามชั้นนะผ้ามันก็หนาขึ้นก็ห่มให้เป็นโยนให้เป็นลุกบวกก็หนีบให้เป็นดึงให้เป็นดูให้เป็นปริมณทนดูให้ดูให้ดีให้งาม สบงก็นุ่งครึ่งแข็งสบงนุ่งครึ่งแข็งมัดให้ดีมัดให้ดีแล้วราดเอลแล้วก็พับพกเข้าไปไม่มหลุดใสอังสะยีวอนซ้อนสังคาหม่หมผ้าซ้อนสังคาเสร็จแล้วก็ถมาเราไปอย่างนี้เนี่ยเราเดินไปนี่ยตั้งแต่เราลงจากสลาไปเราก็ภาวนาไปเลย นี่นะเราลงบันไดไปเนี่ยเอาบาทแล้วก็มาใส่บาทซ้ายเอาบาทมาห้อยบาทซ้ายเอาข้อซองเนี่ยกดทับฝาบาทลงไปแล้วก็มือก็จับสายบาทอีกข้างหนึ่งไม่ให้มันไม่ให้มันดิ่มตกนี่ได้บรนตาท่านถือเอาท่านถือทําอย่างนี้เป็นเป็นแบบฉบับเลยนะทําเป็นแบบเลยไม่ใช่คลอง คอทางซ้ายก็ได้ยทางขวาก็ะดาบัานตาก็จะทําเหมือนกันหมดเลยนี่ยมันตาเนี่ยเอาบาทสมมติเราเดินไปบินทบาทนะมันยังไม่ถึงที่บินทบาทเนี่ยท่านจะเอาสายบานมาห้อยทางซ้ายแขนทางซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาข้อศอกเนี่ยกดฝาบาทแล้วก็มือก็จับสายบาทข้ทางหนึ่งแล้วก็เดินไปเดินก็เดินภาวนาไปตัวใครตัวเราตัวใครตัวมันนะเดินไปจากนี้ ตั้งแต่ลงจากสลาไปเดินภาวนาไปให้มาในพุทธโธ ท, ทุกฝีก้าวพุทธโธพุทธโธพุทธโธเดินําพึงรำพั น, พนเดินพิพจรารณาเดินภาวนาไปอย่าไปเดินคุยกันนะผิดเวลาทําข้อวัดต่างๆห้ามคุยกันถ้าคุยอันผิดมีความจําเป็นก็คุยกันสองสามคำพอรู้เรื่องแล้วก็แล้วไม่ใช่ไปจับกลุ่มจับหมู่คุยกันนะจับคู่คุยกันผิดเนี่ย นับต้องแต่เรามาทำอะไรบนสลานี่ยไม่มีความจําเป็นหลยห้ามคุยกันชั้นกันชั้นเสร็จลงไปอังกิวรไปตากเอาสังคาไปตากเอาอะไรไปตากเอาบาดไปล้างไปอะไรนี่ไม่จําเป็นไม่คุยกันไม่คุยไม่คุยกันแล้วทําอะไรภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธลองทําต่างคนต่างทำอย่างนี้น่าดู น, าน่าเคารพน่าเลื่อมใส คนที่ดูเพราก็น่าดู น, าออน่าเคารพน่าเลื่อมใสตัวเราเองเราก็ได้บุญทุกขณะจิตนะได้บุญทุกขณะจิตเราบวชมาเราได้บุญยังไงเราดูที่บุญเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นในตอนไหนบุญบุญเกิดขึ้นที่ใจของเราที่เราได้ตั้งออกตั้งใจทําข้อวัดนี่แหละตั้งใจสํารวมสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ การที่เราไม่พูดก็เป็นการสัมรวมอย่างหนึ่งนะสัรวมวรรจาคมพูดการสัมรวมเป็นเหตุสะท้อนมาที่ใจของเราเรามาสัมรวมที่ใจด้วยปกติใจของเราเนีมันดิบมันดิ้นคิดนึกปรุงสารพัดแต่ถ้าเราสัมรวมเข้ามาจิตมันก็สงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาในความสงบของจิตมันเยือกเย็นนะมันกลียิ้มยิ้มย่องมันเยือกมันเย็น มันไม่สงบเราพยายามฝื้นทําให้มันสงบไม่ฟื้นไม่ได้ปล่อยให้มันสงบเองไม่มีไม่มีทางสงบหรอกมันคิดไปแล้วก็ดึงเข้ามาคิดไปเรากดึงออกมาคิดไปไหนก็แล้วแต่ละดึงกลับมามาให้มันสงบอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทํายันยาณมันไม่อยู่ฟ้านที่ทีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสติอทียิบกากับเข้าไปจับเข้าไปให้มันสงบอยู่กับคําบริกรรมนิภาวนา การภาวนานี่เป็นการเสริมพลังให้กับใจของเราเองนะเป็นการเพิ่มพลังให้กับจิตของเราเองคําว่าพลังในที่นี้ก็คือบุญนั่นแหละอจิตยิ่งมีพลังแบบนี้มากเท่าไหร่ก็คือจิตมีบุญมากเท่านั้นหละนี่แหละคือบุญอไม่ใช่รสเค็มๆรสเปรียปร้ยวๆรสเผ็ดๆรสหวานหวานไม่ใช่บุญก็คือความชุ่มเย็นภายในหัวใจความสงบของใจ ความอิเอิบของใจความเป็นอารมณ์เดียวของใจเสร็จแล้วมันจะเกิดปีติมันจะเกิดความสุขอันนี้เนี่ยถ้าเราทําจนสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานของจิตแล้วก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยหนุนตัวเองขึ้นเรื่อยความดีอันนี้เนี่ยหนุนตัวเองขึ้นเรื่อยหนุนุนตัวเองขึ้นเรื่อยความสงบก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยความนึกความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นอักเป็นธรรมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ความสํารวมระวังทําข้อวัดให้สํารวมระว่งังไม่จําเป็นห้ามคุยกันไม่คุยกันสงสัยอะไรก็ถามกันคำสองคาก็เสร็จปัจจัยขงกานไปจับคู่ปัดแล้วก็คุยกันไปนี่ผิดมันไม่น่าดูนะมันขวางนะกับผู้ที่ท่านฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยดูไปแล้วมันขวางมากข้าหมูเข้าวพวกเข้าฝูงข้าอะไรตัวอะไรก็ต่างคนต่างสํารวมระวังไม่พูดไม่คุยเสียงดัง การพูดการคุยเสียงดังเนี่ยไม่ใช่สังคมของสมณะเป็นสังคมของพวกขี้เหล้าพวกกินเหล้าพวกสเพรในกลุ่มการพนันในกลุ่มเหล้าสังคมสมณะเนี่ยเป็นสังคมที่ซ้ำรวมระวังระวังปากระวังเสียงระวังเรื่องราวระวังจนไปถึงระวังที่ใจใจเราตั้งใจระวังเฉยๆมันไม่อยู่หรอก เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีอารมณ์กำกับอารมณ์กำกับในที่นี้ก็คือพุโทโธนี่แหละพทพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพราะอะไรเพราะเราพุโทโธแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการดึงจิตขึ้นมาเป็นการฉุดจิตขึ้นมาเป็นการกระตุกจิตขึ้นมาให้จิตมันตื่นมันตื่นจากความลุ่มหลงให้มันเพลินไปกับอารมณ์ปกติที่จิตมันไม่อยู่เพราะว่ามันเพลินไปกับอารมณ์ เพลินไปกับอารมณ์นั้นเพลินไปกับอารมณ์นั้นเพลินไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์ไหนที่มันรุนแรงที่สุดในใจเนี่ยที่มันผ่านไปหยกๆแนละ้วแหละมันมักจะนึกจะคิดอารมณ์นั้นๆแหละจิตมันเพลินไปกับอารมณ์เพราะฉะ น, นั้นการที่เราก็ตกจิตขึ้นมาเนี่ยเป็นการดึงจิตเป็นการฉุดจิตเป็นการลากจิตยกจิตขึ้นมาไม่ให้มันเพลินไปกับอารมณ์พอมันเพลินนั้นมันเพลิน ไปเป็นคืบเพลินไปเป็นสอกเพลินไปเป็นวาเพลินไปเป็นเส้นเพลินไปเป็นกิโลเพลินไปเป็นนาทีเพลินไปเป็นชั่วโมงเพลินไปเป็นวันขาดทุนศูนดอกไปหมดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนึกคิดแต่เรื่องเรื่อยเปลยนอกนอกความจําเป็นไปอกิเลสมาสวมรอยดึงจิตนี้ไปใช้ตลอดทั้งวันคิดดูแล้วนี่เสียเปรียบเสียเปรียบกิเลส มันดึงจิตของเราไปใช้ทั้งวันนี่ยน่าเสียเปรียบมัน่ะเวลามาสรุปผลกําไรายได้ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องสนุกมีแต่เรื่องเพลินไปกับกิเลสเป็นวันๆเน่ยความสงบก็ไม่มีมาตั้งใจจดจ่อดูข้ออัดข้อทมก็ไม่มีมาตั้งใจจดจ่อสนใจสอบถามเรื่องอันเรื่องทำเรื่องอวินัยก็ไม่มีอ่านประวัติครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่สันดีทันดีก็ไม่มีฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ ที่ตัณเพ่เทศเป็นที่จับจิตจับใจเพื่อที่จะเป็นกําลังให้กับจิตกับใจของตัวเองก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะใจมันถูกกิเลสดึงไปหมดเราต้องต่อสู้ต่อสู้ให้สงบไม่ต่อสู้รอให้สงบเองจนตายมันก็สงบไม่เป็นเพราะกิเลสมันคอยจังหวะอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ตั้งใจดารงสติอยู่กิเลสมันแทรกขมาทันทีถ้าเรา ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเมื่อไรแทรกเข้ามาทันทีแทรกเข้ามาทันทีมันแทกยังไงพยายามดูให้เห็นเราดูให้เห็นครั้งหนึ่งเราก็ได้ อ, อุบายดูให้เห็นสองครั้งเราก็ได้ อ, อุบายดูให้เห็นสามครั้งเราก็ได้ อ, อุบายดูให้เห็นทุกระยะมันเป็นการดึงจิตมาตลอดเราก็ค่อยขยับเข้ามาขยับเข้ามาเลยั่้ช่องได้ทางได้วิธีกาปรปฏิบัติได้ อ, อุบายได้วิธีเนี่ย เราพูดถึงว่าทําข้อว่าต่างๆไม่ไม่คุยกันให้สํารวมให้รมมะมัดระวังสำรวมกิริยากายสำรวมกิริยาวาจาคําพูดรวมไปถึงสำรวมใจนี่เราพูดถึงว่าสะายบาดลงจากสลาไปภาวนาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยเวลารถไปสวนเราตรงไหนเราค่อยขึ้นรถไปนั่งไปบนรถเราก็ไม่คุยกันต่างคนต่างภาวนา ไม่ยังเป็นก็อย่าไปดูหน้ากันะต่างคนต่างหันหน้าออกภาวนายิ่งคุยกันบนรถยิ่งไม่น่าคุยยิ่งไม่น่าคุยเม้นขี้แขวกันเนี่ยไม่ยังเป็นก็อย่าไปคุยบนชลาให้บนรถเนะ่ยลองอยากทลาไปเดินภาวนาไปเลยพุดโทพุดโทพุดโทลองเอาให้ได้ทอ ก, ก้าดู พุทโธพุทโธพุทโธเดินสองคนสองเดินเดินเร็วเดินช้าก็เดินไปตามอัธยาสาย้องไข่ของเราจะใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าก็ตามอัธยาสัยห้องไขของเราไปบางคนใส่รองเท้าเดินเดินได้ดีก็ใส่เข้าไปเพราะเราไม่ห้ามเพราะว่าเราเป็นวัดป่าเป็นวัดก้อนหินก้อนหินมันแทงนู่นยิ่งข้างนอกเขาเอาหินทุกมาใส่น่ยยิ่งแทงตีนเ่ะใส่ไปก็ไม่ว่า เราไม่เคยห้ามใส่รองเท้าใส่ลลสไปแล้วเวลารถสวนไปเราก็ขึ้นรถเราก็เอาไว้บนรถอืบางทีเราไม่ใส่รองเท้าไปเราก็เดินแล้วก็ห่วงห่วงจ้องดูทุกที่ที่จะเหยียบอะเพราะอะไรไปเหยียบหินแหลมๆคมๆเข้ามันก็บาดตีนอกจะกใครหนังนนหนาเดินไปได้ไม่เจ็บก็เดินไปได้เลย ือจะลองเดินเจ็บๆดูให้ก้อนหินมันแทงดูว่าเดินเจ็บไปมันกระตุกสติเข้ามากระตุกสติเข้ามาเดินภาวนาไปตั้งแต่ลงศาลาไปจนขึ้นรถนั่งไปบนรถก็ภาวนาไปไปถึงที่ลงจะไปสายนนองแสงก็ตามไปสายหนองออ ก, ก็ตามไปถึงที่ลงก็ตั้งแถวเดินไปสำรวมว่าระวังไปไม่มีอะไรจาเป็นไม่คุยกันสำรวมตาด้วย ไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล็อกล็อกเล็กอยู่นั้น mm. ดูแล้วไม่งามไม่งามสมณะเป็นผู้สำรวมสงบเป็นผู้สำรวมก mm. รรมะระหว่างสงบกิริยาทางกายกิริยาทางวาจากายสงบ ก, กายไม่ขนองวาจาสงบวาจาไม่ขนองพูดปะระพูดสิ่งที่เห็นว่าเห็นจำเป็นพูดไม่กี่คำพอเข้าใจกันแล้วก็หยุด ไม่ใช่ว่าห้าไม่พูดเพราะบางอย่างมันบางครั้งมันจำเป็นก็พูดพูดไปพอเข้าใจฟังแต่ว่าพูดพอเข้าใจเรื่องอะไรมันจะมีเรื่องราวอะไรยืดยาวเรื่องเดียวพูดนิดเดียวเข้าใจกันแล้วก็หยุดกัแล้วแต่อย่าไปหาเรื่องคุยกันหาเรื่องคุยกันไม่จบเสียเวลาภาวนาใน ใ, นใจของเราเสียเวล า, เาบุญเข้าสู่จิตใจเดินบินทบาทไปก็ระวังสำรวมระวังไปตลอดนั่นแหละ โดยเฉพาะพ ร, ระใหม่ต้องระวังฟ้าบาทตกนะจะไม่ดีฟ้าบาทตกมักจะตกแหละเกือบทุกรายแลหะละฟ้าบาทตกจับให้มันมั่นๆอย่าให้มันตกเดินสารวมอย่ามันใกล้เขาเกินไปอย่า ก, ก้มจนเกินไปอยากก่าไกลจนเกินไปก็ใส่ยากเดินสารวมอย่าไปเพ่งมองเพ่งมองแต่ไหนบาทบินฑบาต ท, ท่านให้มองแต่ไหนบาท มองแต่ในบาทมันเห็นมือเขาก็่ช่างมันเพราะว่าเรามองแต่ในบาทอยู่แล้วท่านให้สัมรวมแต่ในบาทไม่ไปดูมือดูตีนดูอะไรต่ออะไรเขาอืมสงบระมัดระวังสํารวมทั้งนี้เพื่อให้ใจของเราสงบอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ให้มันโดดดิ้นไปตามความอยากของกิเลสราคะตัณหาที่มันจะพึงเกิดขึ้นมันมี ม, นมัต้องระวังต้องระวังต้องระมัดต้องระวังบางทีก็เห็นสิ่งที่ชอบบางทีเขเห็นสิ่งที่ไม่ชอบ เห็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรจิตใจของตัวเองไม่เหมาะไม่ควรไม่เคยเพ่งมองมาเนี่ยต้องระวังด้วยมินธบาตไปมาระวังใส่ไปเตรียมก็ดึงออกหยิบออกจกออกเสร็จแล้วขึ้นเรากลับมาก็ตามคุณํารมนั่งภาวนามามาจนถึงสลามาบาดไปวางเอาบาดไปแก้ทะลกออกเอาผ้าไปตากไปอะไรรีบุรีกุจจ์ขึ้นมาข้อวัดน เราดูตามเวลาไปแล้วเราเราก็เข้าใจกันหมดแหละมันไม่ยากภูมิบาขึ้นมาแล้วมาเข้าที่ของใครของเราจบข้าวจบอะไรออกอันไหนเราจะเอาเราก็ใส่ข้าบาทเราไว้อันไหนเราไม่เอาเราก็เอามาลงมาข้างล่างนี่ในข้างล่างเขาเอาเนี่แล้วก็เจดอาหารควรจะรับโอเคนควรจะนุ่นควรจะนี่ก็ต้องดูต้องใช้ไว้พริบ ต้องดูต้องสนใจไม่ใช่วิมีสนใจไม่ใช่นั่งเฝ้าที่บาดเจ็บของอย่างอื่นไม่ดูต้องดูต้องสนใจอย่างเราเราไม่ค่อยที่วันนี้แล้วก็พระสนมากที่อดอาหารอดอาหารแต่ถ้าเป็นวัดที่ไม่มีอดอาหารแล้วต้องแจกอาหารกันหนึ่งโอ้ยลาบากเราไม่ใช่ไว้พลิบสติปัญญาโดยเพราะครูบาอาจารย์ท่านจะมองอย่างน้องตาเนี่ย บนนั้น่นเป็นเวทีเหมือนกับเรด้าเนะี่ยบนที่แจกอาหารเนี่ยนะท่านจับเราทุกระยะจับทุกระยะจับดูทุกระยะผิดมากๆผิดจังๆก็เอาตอนนั้นเลยเราท่านจะจ้องหรือไม่จ้องก็ตามแต่แต่ความรู้สึกในใจของเราเหมือน<ม>ท่านเป็นเรด้าจับเราทุกระยะกันท่านก็รู้ องไหนอไหนชั้นชันนนน้นมากองไหนชัน้นน้อยองไหนชัน้นมุมมามมันดูท่นยานรู้ท่านเขาใจหมดนี่เราก็ทําตัวเหมือนก็ว่ามีใครคอยจ้องคอยเพ่งคอยมองเป็นการสรมัรมรัสมรระวังให้กับตัวเราเองเพื่อประโยชน์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความเจริญของบุญในจิตใจของเราขบฉันไป แจกอาหารเสร็จให้พรบางทีก็ให้พรคนเดียวบางทีก็ให้พรหลายคนก็ต้องไปท่องบทสวดด้วยย่า้าสัพ พ, พีภาวะตุสัพอายุโดเนี่ยอายุโดพุ ต, ตาโพกาเนี่ยไปดูไปท่องพระใหม่เวลาสวดก็จะได้สวดการสวดเป็นหน้าที่ของเราการสวดการให้พรเป็นหน้าที่ของเราอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะ สำคัญไปหมดยิ่งเราอยู่ไปเรื่อยๆด้ยแล้วเนี่ยการท่องปฏิโมกขยเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องคัญของเราพยายามไปท่องให้ได้สวดการท่องปฏิโมกได้สวด่วนเป็นความสามารถของเราเคยมีหมู่บางองค์เขาเขาบวชตอนนี้แหละบวชตอนแรกเลยเขาท่องไปจนได้สวดก่อนเขา้าพรรษามนะีหมูแล้านี่แหละหมูแล้วนี่แหละนี่บ้านนนท์ชำราญนี่แหละอืเขาท่อง ท่องตั้งแต่บวชแล้วก็ได้สวดก่อนเข้าพรรษาบางคนบางองค์ก็ได้สวดก่อนออกพรรษาปฏิโมกเนี่ยมันไม่เห็นยากเลยเขาท่องได้สวดแต่บางองค์พรรษามากมากแล้วทำไมท่องไม่สวดก็มีที่อยู่ก็มีที่ออกไปก็มีบางคนก็ท่องสวดได้สวดบางคนไม่ท่องไม่สวดก็ไม่ท่องอะไะอาศัยความคี่คานนะคิดเกียรตินะไม่ท่อง ไม่เท่าก็คือไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้สวดไม่ได้แสดงความสามารถไม่ได้เอาบุญในการท่องมาสวดการท่องการบวชอันนี้เป็นความจำเป็นโดยเฉพาะวัดป่าเราในการท่องปฏิโมกถือว่าเป็นเรื่องจาเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องท่องต้องสวดจากนั้นแล้วบทสวดไหนที่เราจำเป็นเราก็ดูเราก็ท่องไปถ้าเราดูตามรูปแบบของการเข้ามาบวชเลยน้วมันไม่ใช่ของ อยู่อย่างสุขสบายนะเป็นของที่มาต้องมาทรมานตัวเองเป็นของที่เราต้องมาฝึกฝนอบรมตนเองคนที่ไม่ฝึกฝนอบรมตนเองนี่วันเวลาล่วงไปหนึ่งปีสองปีสามปีอ้เจ้าจของรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยบางคนยังไม่บนอีกโอ้ยไม่เห็นได้อะไรเลยมันไม่ได้อะไรเลยแล้วคนขี้เกียจขี้ค้านจะได้อะไรคนอื่นเขาท่องก็ได้สวนอะท้องไม่นานเท่าไหร่เาก็ได้สวนละ ต้องปฏิโมกจนได้สวดต้งบทสวดมนต์จะได้สวดทําวัดเช้าวัดเย็นเน่ยท่องไม่นานเขาก็ได้สวดไม่ต้องมาดูหนังสือทําวัดเช้าทํ า, าวัดเย็นนอกจากบทยาวๆอีกต่ อ, ตอไปเราก็ดูเราก็ท่องต่อไปเรื่อยๆถ้าเราจะดูตามหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรามาหลบอยู่สุขสบายเฉยๆเรามาฝึกฝนอบรมตน การฝึกฝนอบรมเนี่มันไม่ใช่อยู่สบายตามใจฉันไม่ใช่ต้องทําอะไรตามวิลามีนาตามข้อปฏิบัติเราสุขง่ายๆว่าข้อปฏิบัติส่วนตัวและข้อ ป, ปฏิบัติส่วนรวมข้อปฏิบัติส่วนรวมก็คือสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องกันมันเป็นข้อปฏิบัติส่วนรวมนับตั้งแต่มาศลาปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะอะไรทอะไรทุกอย่างบนนี้เก็บนูน่นเก็บนี้ถึงเวลาปัิบัติ ถึงเวลาทําความสะอาดเช็ดถูสลาเนี่ยนี่มันเป็นข้อพัฒ ส, ส่วรวมปัตานยตามบริเวณวัดต่างๆแล้วก็ดูแลความสะอาดห้องน้ํานี่ห้องน้ํำน่าสลาเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยเน้นกัดทิ้งกันนั่นแหละไม่ดูต้องไปดูอย่าลืมคนหนึ่งไม่ดูก็ต้องคนหนึ่งไปดูคนหนึ่งไปดูมันนานเสร็จสองคนสามคนก็ไปช่วยกันดูมันหลายห้อง นี่มันเป็นข้อวัดของเราเราทำไปกิริยาเหล่านี้เป็นเป็นบุญทำให้เกิดบุญโอ้ยเสียเวลาที่เปล่าแลวไม่ใช่เพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ปัจจัยสีที่เราเป็นอยู่เราอาศัยชาวบ้านเขาแล้วสิ่งที่เราจะพึงตอบแทนเขาก็คือเราทาความดีให้กับตนเองการทำความดีให้กับตนเองเมื่อเราสรุปแล้วก็มีข้อวัด ข้อวัดส่วนตัวขอว้ขอวัดส่วนรวมข้อวัดส่วนรวมที่พูดผ่านมานี่นอกจากนั้นเป็นข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนตัวส่วนตัวนี้คนอื่นไม่ไปเกี่ยวข้องเช่นอย่างเราท่องเราบนเราสวดมนต์เราภาวนาอันนี้คนอื่นไม่เกี่ยวข้องเราต้องเกี่ยวข้องเราต้องจัดเราต้องทําเราต้องอุปสารคพยายามเราต้องขยันเพื่ออะไรเพื่อผลรายได้ของตัวเอง ไปที่กุฏิเราต้องมีการเดินเปกลมเราต้องมีการนั่งภาวนาถ้าจะสับเปลี่ยนเวลาก็สับเปลี่ยนเวลามาดูมาท่องต้องบทสวดมนต์ถ้าไม่ท่องบทสวดมนต์ก็บทธรรมมาดูถ้ามีอะไรฟังก็เอาธรรมมาฟังไม่ใช่นั่งนึกนั่งคิดเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ไปค้นหาหนังสือสะเพเหระอะไรต่ออะไรอย่างอื่น่ะไปดูตามใจฉันตามใจชอบไม่ใช่ต้องดูหนังสืออ่านหนันงสือธรรม ไม่งั้นเราก็นอกนอกเรื่องไปเรื่อยนอกไปเรื่อยนอกไปเรื่อยนอกไปเรื่อยจนตะโกนไม่กลับกูไม่ฟังแล้วก็จะเสียหายไปเรื่อยอย่าลืมสรุปลงมาคือข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนรวมตอนค่ำเราจะทํายังไงเราจะนอนตอนไหนสองทุ่มสามทุ่มรุ่งไปแล้วเราจะนอนเราจะพักผ่อนจะเดินถึงกรมไปสักเท่าไหรเราจะนั่งภาวนาไปสักเท่าไหร่วันไหนเราไม่ได้ไปชุมเราก็ทําพัดส่วนมน ตามกุติของเราดึกเท่าไรเราถึงจะนอนไม่ใช่ไปนี้นอนแต่ค่ำหรือไม่ใช่อยู่หมดคืนทำอะไรเพ ล, นเพลินไปโดยที่ไม่ใช่เรื่องของการภาวนาก็ทำให้เราเสียหายสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเดินยังกรอมจนเหนื่อยขึ้นกุติไปนั่งภาวนานั่งภาวนาเหนื่อยเราค่อยพักผ่อน หรือไม่เราค่อยทําวัดสวดมนต์แล้วก็กราบพระพุทธรูปโมสังโฆแล้วค่อยพับผ่นหลับนอนกัางคืนอเอาสักงีบหนึ่งหรือสองงีบเป็นอย่างนานที่สุดคําว่างีบหนึ่งก็คือตื่นหนึ่งอะ่ะบางคนก็ลุกขึ้นมาเลยนั่งภาวนาอบางคนอืดหน่อยเขาสองงีบเนาะงียบหนึ่งตื่นมาเอาฟาไปอีกงีบหนึ่งตีอองงตสองตีสามแล้วอ่า พอลุกแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งภาวนาล้างหน้าล้า ง, ง, ง, งตาถ้าลงได้รายได้ก็ลงเดินดูกลมได้เวลาก็มาฉลาก่อนที่ตีสี่ก่อนที่สี่สิบ น, นาทีพร้อมที่จะลงมาฉลาก่อนที่สี่สิบนาทีเราก็พร้อมที่จะลงมาฉลาถ้าเราจะตั้งนาฬิกาปลุกเราก็ตั้งตีสามสี่สิบเราก็ตั้งเลย เราจะตั้งนาฬิกาปลุกนะมันสวางแล้วแหละตีสามสี่สิบเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกปลุกแล้วก็ต้องลุกยกเว้นแต่เราไม่ออกมาฉันเราเราอดไม่ออกมาฉันอืถ้าเราออกฉันปลุกก็ต้องรีบลุกมาล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยมาถึงศาลานี่ยก็ตีสี่พอดีปัดกวาดเช็ดโถปูอาสนะนี่ เป็นข้อวัดเราจะต้องเอามาสังขยาณาใหกับตัวเราตลอดไม่ใช่เราลืมทิ้งไปเรารู้สึกอยู่กับตัวเราเองว่าเราลืมเราทิ้งเราอะไรไปขนาดไหนก็พยายามรักษาไว้ให้มันคงที่แต่เราขาดสิ่งเหล่านี้เมื่อไรแล้วขาดทุนยิ่งขาดการภาวนาขาดการซํารวลระมัดระวังไปแล้วก็ถอยหลังถอยหลังมาถอยหลังไปถอยหลังมาก็ลงคลองอะไร บางทีกไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวจริงๆไม่ได้ไปดูอะไรให้เกิดประโยชน์โดที่นู่โดที่นี่ก็ไม่เกิดประโยชน์โดดไปโดดมาน็อตหลวมน็อตหลุดหํำขาดไปเท่านั้นเองนี่คือปล่อยเนือ้ อ, อปล่อยตัวถ้าไม่ปล่อยเนือ้อไม่ปล่อยตัวนี่ศาสนาธรรมนี้อย่างชุ่มเย็ น, เ ร, นรเราคิดเมื่อไรเราพิจารณาเมื่อไรเราตั้งใจกันหน ด, ด, ดจบจบเมืไร ชุ่มเรียนให้กับหัวใจศาสนาธรรมเราต้องทําเพราะการทํำของเรานั้นเป็นการสร้างเหตุถ้าเราไม่สร้างเหตุเนี่ยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งความขยันหมั่นเพียรตั้งความอุตสาห์พยายามถ้าเราไม่ตั้งความเพียรตั้งความอุตสาห์พยายามโอกาสที่จะทําการทํางานให้เกิดเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมามันก็ไม่มี เมื่อเหตุไม่มีผลก็ไม่มีเมื่อผลไม่มีก็คือเปล่าๆ เ, เน่ยวันคืนล่วงไปก็เปล่าๆแต่ที่สำคัญที่สุดพระร เ, เราเนรเราคนวัดของเราเนี่ราบริโภคปัจจัยสี่ของคนอื่นปัจจัยสี่นะเป็นปัจจัยสี่ของคนอื่นเราอย่าไปคิดว่าของของเรานะนับตั้งแต่อาหารบิณฑบาตเนี่ยเครื่องนุ่งหง่มปัจจัยสี่ของคนอื่นนะ ที่อยู่อาศัยเสยนาสนะนี่ของคนอื่นเราจนยารักษาโรคของคนอื่นปัจจัยสี่เป็นของคนอื่นเราอาศัยปัจจัยสี่จากคนอื่นเหมือนกับว่าเราให้คนอื่นเลี้ยงเราเราตั้งใจจะเลี้ยงเราได้ไหมมันก็เป็นของคนอื่นอยู่ดีอะใครจะเอามาให้เราก็คือเป็นของคนนั้น พ่อเอมามาให้เราแม่เอมามาให้เราญาติเอามาให้เราก็เป็นของเขาเขาอยากได้บุญเป็นของเขาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าปัจจัยสี่เป็นของคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้กับผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมทายาตเพื่อสืบทอดมรดกธรรมเป็นธรมาานธรมทายาตเป็นธายาตแห่งธรรมของผู้บำเพ็ญสมณะธรรม ไม่ว่าพิสุไม่ว่าจะเป็นสัมมเนตรไม่ว่าจะเป็นคนคนวัดไม่ชี้แม่เขาอืบวชโกนก็ตามให้โกนก็ตา ม, ม, กกามตั้งใจปฏิบัติผู้ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยท่านให้สิทธิ์ท่านให้โอกาสในการบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านอย่างที่เราพวกเราบริโภคอย่างนี้ถ้ า, าเราไม่ปฏิบัติให้เหมาะให้สมให้คู่ควรกันเนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอืม เหมือนอย่างที่ท่านว่าทถยะบริโภคทถยะบริโภคบริโภคโดยความเป็นขโมยอีนอกบริโภคบริโภคโดยความเป็นหนี้ท่านพูดเอาไว้บริโภคโดยความเป็นหนี้ให้ให้เราจาเอาไว้อีนอกบริโภคบริโภคโดยความเป็นหนี้คือไม่พิจารณาปัจจัยและบริโภคไม่พิจารณาอาหารไม่พิจารณาสบงจีวร เค่องนุ่งห่มไม่พิจารณาที่อยู่อาศัยไม่พิจารณาหยุบยาเนี่ยไม่พิจารณาและบริโภกทั้นว่าลืมน้ะลืมตัวท่านว่าเราบอดิโพกด้วยความเป็นหนี้การพิจารณานั้นพิจารณาเพื่อเพื่อชดใช้หนี้พิจารณาอย่างไงพิจารณาหารพิจารณาหานในบานเนี่ยเราก็พิจารณาลงไปพิจารณาหารอยู่เฉพาะหน้าที่เราจะหยิบใส่ปากเนี่ย เราก็พิจารณาลงไปเพื่อเป็นการปลดหนี้พิจารณาอย่างไงพิจารณาว่าอาหารนี้เราจะบริโภคเพื่อบำเพ็ญสมารรมาทรฏฐไม่เพื่อบำรุงเกิเลตตันหาอาสวะให้เราตั้งใจจําเอาไว้แล้วก็ไปพิจรารณาพิจารณาอาหารในเ ก, กษตรว่าเป็นอาหารอาหารักทตรว่าเป็นธาตุเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ําเป็นธาตุลมเป็นธาตุาไฟ เพราะร่างกายต้องการร่างกายต้องการเพราะร่างกายมันขาดธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันบกไปมันพร่องไปมันจึงแสดงอาการหิวเนี่ยเราพูดง่ายๆว่าหิวร่างกายมันหิวคือร่างกายมันต้องการอาหารทำไมมันถึงร่างกายมันถึงต้องการอาหารเพราะร่างกายเพราะธาตุในภายในร่างกายน่ยมันบกไปมันพร่องไป มันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันแสดงอาการหิวเราจะต้องใส่ให้มันทุกวันทุกวันทุกวันเราต้องการจะ บ, บริโภคอาหารเหล่านี้เพื่อบำเพ็ญสมนนธรรมไม่เพื่อบำรุงกิเลสตัณหาอาสวะเสรแล้วต้องให้พิจารณาในบาทพิจารณาอาหารเป็นในบาทน่พิจารณาอาหารที่เราจะปึงกลืนเข้าไปให้เห็นเป็นของปฏิกูลคาว่าปฏิกูลก็คือ หน่าเกลียดโสโครกหน่าพึงน่าพึงรังเกียจเราพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาเพื่อต่อต้านความอยากเพื่อตัดกระแสของความอยากความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเช่นอย่างมันมันเห็นอาหารนั้นโอ้อ น, นี้น่าแซบ่บอันนี้น่าอร่อยเราพิจารณาดูว่าอาหารนี้เป็นของปฏิกูนเป็นของโสโครกพิจารณาโดยสีของมัน พิจารณาโดยสัญฐานของมันแล้วก็พิจารณาแยกแยะเข้าไปเอออันนั้นเป็นผักเออันนั้นเป็นเนื้ออันนั้นเป็นน้ําอันนั้นเป็นเครื่องกับแกงอะไรต่ออะไรอันนั้นเป็นผักอันนั้นเป็นปลาดูเข้าไปดูให้เลยนั้นเข้าไปอีกดูเลยให้ไปให้เห็นว่าเป็นถาดโอ้ศักทว่าเป็นถาดที่เป็นก้อนๆเนี่ยเป็นถาดดินเป็นเหลวๆก็เป็นถาดน้ําถาดลมถาดไฟมันก็อยู่ในนั้นแหละ เมื่อเรารับทานเข้าไปแล้วก็คือการเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้าไปในร่างกายนี่จะให้พิจารณาพิจารณาเพื่อไม่ให้กิเลมันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตัณหามันเกิดขึ้นตัณหาคือความอยากนั่นแหละเราพิจารณาเพื่อตัดทอนกําลังของความอยากคือกิเลสที่ทําให้เราอยากมีความอยากด้วยความหิวด้วยความกระหายท่านจึงให้เอาปฏิกูลมาตัดเอาเอาปฏิกูลมาตัด เพื่ออะไรเพื่อตัดกําลังของความอยากอืท่านจึงให้เห็นให้พิจารณาเห็นปฏิกูลโสโครกถ้าเราพิจารณาไปแล้วมันดูดูมันดูยากเยเราก็ดูให้เห็นเป็นตัวหนอนยั่วเยี่ยอยู่ในนั้นเอา้าลองกินลองดูเนี่ยหนอนยั่วเยี่ยเต็มไปหมดนั่นทําให้เกิดสะอิดสะเอียนขึ้นมามันตัดได้นะมันตัดความอยากได้นะอืมแต่ไรอย่าไปหลงนะอย่าไปห ล, ลงสัญญาของตัวเอ ง, อ ง, เองกันแล้วกันเคยมีบางคน่ะลงสัญญาของตัวเอง พิชชาล์นอนย้เย่ยบปฏิคูณเน่าเฟะหมดทั้งบ้านแล้วฉันไม่ได้อีกอะไรไม่ได้อีกนั่ น, นก็เรียกว่าหลงสัญญาของตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกเราทําเพื่อลดละความอยากในใจเท่านั้นเองดูให้สุดดูยังไงดูให้สุดดูไปที่ท่าแท้ของมันดินกระสักตะว่าเป็นดินน้ำกระสักตะว่าเป็นนา้าำเป็นไอสมมุติต่างๆะไม่ให้มันขึ้นเช่นอย่างสมมุติโออันนี้เป็น เป็นไก่อันนั้นเป็นหมูอันนี้เป็นปลาดูให้เห็นสัตว์ว่าเป็นก้อนธาตุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองดูให้เลยนั่นก็ไปถ้าเราดูได้อย่างนี้เรื่อยๆ ด, ดูอะไรอนี้บ่อยๆมันก็เป็นการนำธรรมะเข้าสู่จิตใจมันเป็นการยังเข้าถึงหลักความจริงสัตว์จะทำอย่างหนึ่งจะปรากฏในใจของเรานี่นะเราพิจารณาอย่างนี้อพิจารณาหานในบาทเนี่ยพิจารณาสักหนึ่งนาที พอถึงเวลาให้พรเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยหน้าที่ของเราเน่ะจดจอ่อก็มาพิจารณาเข้าไปในบาท น, นะไม่ใช่ในั่งเทอนั่งมองที่นู่นที่นี่เมื่อไรก็จะฉันเมื่อไรจดูไม่ใช่ดูมาที่บาทของเราเนี่ยนะก็เริ่มฉันเข้าไปตั้งแต่ลําดับข้างบนเนี่ยลงไปโดยปกติพวกเราเราถือว่าถ้าอาวุโสยังไม่ฉันเนี่ยพวกเราจะไม่ฉันฉันมาตามลําดับเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อๆเรื่อย ม, มาถึง คนที่อยู่ขวามือเราเนี่ยเพราะฉันปั๊บเราถึงคอยฉันนะแต่บางคนก็เสื่อซาห์นะไม่รีบดผูผู้ที่อยู่ทางขวามือลราจะรีบฉันไปโดยลําดับอบางคนอยู่ข้างหลังเนี่ยคอยจะฉันโดยลําดับก็ไม่ได้ฉันอีกเพราะว่าคนต่อๆมาไม่รู้เรื่องโมดเด็ตรมองลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้นึกตําหนิมือนกันบางทีโอ้ยานานฉันเหลือเกินนานฉันเหลเกินแต่ถ้าเราเคยอยู่สํานักที่ทํา จนเป็นนิสัยเนี่ยท่านจะเริ่มฉันโดยลําดับนะองค์แรกฉันเนี่ยองที่หนึ่งที่สองที่สมท่านฉันโดยลําดับเนีบางองไม่ได้ฉันโดยลําดับแหละพระองค์แรกพรองค์แรกองค์ที่หนึ่งที่สองช้าเกินไปฟาดก่อนแล้วฟาดไปฟาดไปกลายเป็นนิสัยอพอ ป, ปุ๊บปั๊บฉันให้พรเสร็จฟาดก่อนเขาเลยนะ่ะไม่คํานึงดูข้างหน้านี่ก็ผิดระเบียบยุ่งกันนะวัดป่าเราผิดระเบียบ ปกติท่านจะดูแต่หัวหน้าลงไปฉันมาโดยลําดับปกติเราจะถืออย่างนี้นะโดยเฉพาะอย่างอยู่บรรดาเนี่ยฉันไปโดยลําดับอ่ะองที่อยู่ขวามือเราหยิบใสยปากปั๊บแล้วก็ใส่ปาแล้วใส่ใส่ใส่กันไปเรื่อยๆชันเวลาหลังจากให้พรเสร็จให้เราพิจารณาพิจารณาเสร็จเสร็จแล้วก็พิจารณาไปชันไปไม่ใช่พิจารณาตอนแรกๆเสร็จแล้วก็เลิกไม่ใช่พิจารณาไปชันไปจนจบ ไม่ฉันด้วยความอยากไม่ฉันด้วยความมุมมุมมามนี่นี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำทำทำไมอ่ะถ้าไม่พิจารณาแล้วราฉันฉันโดยไม่พิจารณาฉันว่าเป็นหนี้ทาไมมันเป็นหนี้เพราะว่าเราฉันด้วยความอยากเราฉันด้วยกิเลสเราฉันด้วยตัณหาเราฉันด้วยความอยากเอาอะไรมาตัดความอยากให้เห็นมันงัดงันขึ้นทันที เอาปฏิกูลโสโครมาตัดพิจารณายัางไงพิจารณาให้อาหารในในถ้วยในจานอาหารในบ้านมันเนา่าเฟะลงไปเมียนอนอยวกเต็มไปหมด เ, ร, เราพริจารณาลองทําสัญญาขึ้นมามันเป็นสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละแต่มันสามารถตัดอารมณ์ความอยากได้ท่านยื่นให้ให้อาวันนี้มาเป็นโล่บังความอยากเอาไว้ปกป้องความอยากเอาไว้ พิจารณามันเห็นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกพิจารณาหเห็นศักทว่าเป็นภาตุพิจารณาแล้วพิจารณาไปชั้นไปพิจารณาไปชั้นไปจนอิ่ม น, นี่คือการพิจารณาอาหารมีความหมายที่เราฉันในบาศมีความหมายมากถ้าเราไม่เห็นความสําคัญเราจะเห็นโอ้ยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรฉันในบาศแท้จริงท่านให้ฉันในบาศ ท, ท่านให้มองในบาศ ท, ท่านให้พิจารณาในบาศแล้วก็พิจารณาดังกล่าวนี่แหละเพื่อ ตัดทอนความอยากคือกิเลสตัณหาเพื่อตัดเพื่อทอนความอยากเนี่ยความอยากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าเราไม่พิจารณากิเลสมันจะพาเราขิดกิเลสมันจะพาเราบริโภคกิเลสมจะพาเราฉันอันแซบอันนี้อาร่อยฟ้าหรือจนไม่มีสติไม่มี ส, มมสตังค์ถูกรถมันเหยียบรถเผ็ดรถแซบรถอร่อยะ้ รสหวานรสมันรสอะไรน่ะมันเหยียบเราจมไปกับรถต่างๆเหล่านั้นเหยียบมุ้ยใจขอเราฉันด้วยอำนาจของความโลภมันก็เป็นโทษอีเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านใพิจารณาการพิจารณาถ้าเราพิจารณาได้ตามนี้เราไม่เป็นหนี้มีเนาะบริโภคถ้าเราเป็นหนี้เนี่ยนักเข้านักเข้ามันทับถมเรานะตายแล้วไม่มีอะไรชดใช้ สัทาเขา่ไปเป็นควายท่านว่าไปเป็นควายโบราณท่านว่าตายไปแล้วไปเป็นควายให้เขาไถนาทำไมถึงต้องไปเป็นควายต้องเอาแรงไปชดใช้เขาเนื่องจากว่าบุญกุศลสติปัญญาของเรามันไม่มีพอที่จะไปเป็นบุญชดเชยเขาก็เลยต้องเอาเรี่ยแรงไปชดใช้เขาท่านว่าตายแล้วไปเป็นควายให้เขาไถนานู่น ถ้ามงให้พิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเรียกว่าบริโภคโดยความเป็นหนี้บริโภคโดยความเป็นขโมยมอีกกันนึงเยักบริโภคบริโภค โ, โดยความเป็นขโมยคือผู้ทุศินผู้ทุศินคือผู้ไม่มีศิลปผู้ศิลขาดข้อใดข้อหนึ่งนั่นแหละเสร็จแล้วไม่ออกจากศิลไม่แสดงอำนาจ บริโภคปัจใจสีโดยความเป็นขโมยเขรกวัติยะบริโภคไตยะบริโภคขโมยบริโภคทําไมจึงว่าขโมยบริโภคทําไมจึงว่าไตยะบริโภคก็เพราะว่าปัจใจสีที่พระศาสดาทรงอนุญาตให้พวกเราบริโภคนั้นบริโภคให้เราบริโภคเพื่อศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกกิเลสตัณหาสาวะภายในหัวใจอม ทีนี้ถาเราผิดศีลเราผิดศีลเราก็ท่านไม่ได้บัญญัติให้กับผู้ผิดศีลท่านบัญญัติให้กับผู้มีศีลบริโภคทีนี้ถ้าเราไม่มีศีลก็ถือว่าเราขโมยบริโภคขโมยบริโภคขโมยทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่เรารู้ ร, รูกันเนี่ยมันเป็นโทษยังไงมันก็เป็นโทษนั่นแหละแสดงว่าต้องชดเชยเขาต้องเป็นหนี้เขา เวลาเขาจับได้เขาก็ปรับเท่าไรอ่ะร้อยบาทพันบาทไม่มีเงินที่จะไปเสียค่าปรับหรอกต้องไปติดคุกต้องไปติดคุกต้องไปเสียค่าปรับนี่คือลักษณะความเป็นขโมยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสินของเราไปด้วยเพื่อไม่ให้เราบริโภคปัจจัยเสียด้วยความเป็นขโมยอพระาอารหันนั่นแหะ ท่านบริโภคโดยสามีบริโภคสามีจิตบริโภคบริโภคโดยความเป็นนายและพวกเราบริโภคเพื่อความถูกต้องบริโภคอย่างไงธรรมทายาตบริโภคบริโภคปัจจัยสี่เพื่อหวงังมักหวงังผลหวงังศึกษามักผลปฏิบัติข้อวัดหวงังมักหวงังผลให้เกิดขึ้นภายในหัวใจของเรา ต้องเรียกว่าธรรมทายาตบริโภคบริโภคเพื่อเป็นธายาตแห่งธรรมีธรรมทายาตบริโภคการบริโภคแบบนี้ต้องทําตัวยังไงต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตลอดไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจขยันไม่ปล่อยวันคืนล่วงไป ให้เกลีย่ยมยุยงส่งเสริมจิตเขาไหลคำเริบนั้นให้คำเริบนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อหวังได้มรรคเพื่อหวังได้ผลเพื่อตั้งใจรักษาศีลเพื่อตั้งใจเจริญภาวนาทําให้จิตได้รับความสงบเพื่อพิจารณาทางด้านปัญญาทําลายความลุ่มหลงในภพชาติของตนเองนี่ก็เรียกว่าธรรมทายาทบริโภคเราจําง่ายๆว่าเพื่อเป็นทายาทแห่งธรรมนั่นแหละครูบาอาจารย์พุทธเจ้าพระอริยสาวก ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยาสาวกท่านผ่านไปแล้วท่านล่วงไปแล้วด้วยความทรงอัตทรงธรรมเราก็หวังทรงอัตทรงอัตทรงธรรมเหมือนท่านเราก็ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่อันนี้้าเรียกว่าธรรมทายาตบริโภคผู้ที่ท่านได้อัดได้ทําเต็มเปี่ยมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยท่านบริโภคปัจจัยสี่โดยความเป็นเจ้าของเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบริโภคแล้วแหละ ท่านจะพิจารณาก็ได้ไม่พิจารณาก็ได้พระอาหารหันต์ที่ท่านจบพรหมจรรย์แล้วเนี่ยท่านพิจารณาก็ได้ไม่พิจารณาก็ได้ปัจจัยสี่เพราะอะไรเพราะท่านบริโภคเหมือนกับว่าท่านเป็นเจ้าของท่านเป็นเจ้าของท่านเป็นเจ้าของของของสิ่งที่ท่านจะบริโภคเลยท่านเป็นเจ้าของปัจจัยทั้งสแล้วนะจะเป็นสโองจีวะอะไรแล้่านใช้ท่านพิจารณาก็ได้ไม่พิจารณาก็ได้ไม่เป็นโทษ แต่พวกเราไม่ได้เราไม่พิจารณานี้เราเป็นโทษเรามีอบัติติดตัวเราไม่ปลงบัติซะก่อนเราบริโภคเราก็เป็นโทษเราทำยังไงเราต้องรักษาศีลเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมทายาบบริโภคเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราได้มรรคได้ผลได้จนสูงสุดวิมุตเป็นพระอรหันไปแล้วเนี่ยเราไม่พิจารณาก็ได้ เป็นสามีบริโภคสามีไปลว่านายบริโภคเหมือนกับนายเลยเหมือนกับนายที่เขาบริโภคอาหารของเขาเองอ่ะบริโภคปัจจัยของเขาเองบริโภคข้าวน้ําของเขาเองบริโภคที่อยู่ของเขาเองบริโภคเครื่องนุ่งห่มของเขาเองบริโภคยาอยุ่ยาของเขาเองเขาไม่มีโทษอะไรไม่เป็นโทษอะไรเขาเป็นเจ้าของเต็มที่าศาสนาธรรมของกุฏิเจ้าอ่า รวมทั้งปัจใจสี่ที่พระองค์ทรงอนุญาตเอาไว้เพื่อเราตัง้งหัวตั้งใจทํานี้ถ้าเราเจริญรอยตามท่านจนเจาะพรหมจรรย์แล้วเป็นพระอรหันเราบริโภคโดยโดยความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของาศาสนาเต็มที่100ร้อยเปอร์เซตราบใดที่เรายังไม่ได้มรดกได้ผลในหัวใจของเราเนี่ยเรายังเป็นผู้อาศัยาศาสนาอยู่ อ, อ๋อท่าจะว่าไปแล้วพวกเราเหมือนกาวฝากอยู่ว่างั้นเถอะ ยังไม่ใช่เนื้อหนังของตัวเองเต็มที่ตราบใดเราได้อัดได้ทําได้มรดได้ผลเต็มที่าศาสนานี้เราเป็นเจ้าของาศาสนาเต็มที่ร้อยเปอรเซ็นเราไม่เป็นกาฟากแล้วทาไมละ่ะเพราะาศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมคัมภ์เนี่ยเพื่อมรดเพื่อผลเพื่อนิพพานเราเข้าถึงเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วเราเป็นเจ้าของาศาสนาเต็มที่แล้วนี่ เราตั้งใจพระพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่สุดถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่เราทําเราสักแต่ว่าทําเราอยู่เราสักแต่ว่าอยู่มันคืนล่วงไปเราต้องอยู่ด้วยธุรกิจด้วยการด้วยงานที่เราจะพึงจักพึงทํานะอำประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะพึงทําประโยชน์ส่วนรัวตัวประโยชน์ส่วนรวมเราก็ทําไปแต่ประโยชน์ตนที่สําคัญที่สุดคือเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพาน ศึกษากิเลสตัณหาสภาวะภายในหัวใจอันนี้เราไม่ปล่อยเราไม่ทอดทิ้งหากประโยชน um ์อย่างอื่นมีบ้างเราก็ทําไปประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเช่นอย่างหมู่เพื่อนไปช่วยดูแลทำกุฏิกุฏังอะไรนี่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนนั่นแหละประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านนั่นแหละเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ดูแลให้ดูแลเสนาสนะ คาหาประกะเสนาสนะปัญญาประกะพุทธิจาท่านยังทรงพูดไว้ในพระวินัยเสนาสนะคาหาประกะคือผู้แจกเสนาสนะเช่นอย่างพิษุกอเนี่ยรับหน้าที่เสนาสนะคาหาประกะรู้ว่ากุฏิหนึ่งหลังสองหลังสามหลัง4หลังห้าหลัง10หลังเวลามีแขกมามีอาคันทุกกาแล้วแจกอ๋อองนี้ไปอยู่กุฏินั้นอง์นั้นไปอยู่กุฏินั้นองนั้นไปอยู่กุฏินั้น มีหน้าที่คอยแจกเสนาสนะแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกอันหนึ่งเจ้าหน้าที่เสนาสนะปัญญาประกาศผู้ที่เป็นหน้าที่เสนาสนะปัญญาประกาคือเป็นผู้ดูแลซ่อมแซมรักษากุตวิหารเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลดูแลเป็นผู้ซ่อมเป็นผู้สร้างเสนาสนะปัญญาประกาศมีหน้าที่ ในวินัยท่านพูดเอาไว้นะไปดูเสนาสนะปัญญาประกาศเป็นผู้ดูแลซ่อมสร้างเสนาสนะคาหาประกะเป็นผู้แจกเสนาสนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเสโดยจทายเดียวเราไปทําก็คือเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านแต่ก็ทําด้วยความไม่ลืมหนะ้าลืมตัวทําด้วยไม่ประอโอกาสให้กิเลสมันยุแย่แทรกเข้าไปในจิตใจของเรามันก็เป็นการ ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลภายในใจิตใจบางการบางคราวเรานึกกระยิมยิ้มย่องได้ขึ้นมาได้ปีติได้ความสุขหรอกพิจรารณาสมถะเข้าไปพิจราจราวิปัสสนาเข้าไปมันก็เป็นกําลังจิตกําลังใจให้กับตัวเราได้<ม><ม>ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเปล่าประโยชน์เสียทายเดียวเป็นประโยชน์เสริมสร้างบุญเสริมสร้างบารมีกับตัวเราได้เช่นเดียวกันอ<ม>ยาประมาทก็แล้วกัน ทำอะไรก็ก็ตามเราอย่าประมาท ถ, ถ้าเราประมาทเมื่อไหร่ให้กิเลแสแทรกเข้มามาเมื่อไหร่เป็นโทษเมื่อนั้นเราไม่ประมาทนะไม่ปล่อยให้กิเลสมันแทรกเข้ามาหวังทําให้เกิดผลเกิดอานิสงส์จริงจังเนี่ยมันก็เป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราได้เช่นเดียวกันอย่าลืมเนื้อลืมตัวการลืมเนื้อลืมตัวนี่จะทําให้เราออกนอกลู่นอกทางเมื่อเราออกนอกลู่นอกทางก็คือออกนอกศีล น, นอกธรรมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด ว atte atte ันคืนล่องไปเป็นเรื่องของเกลียดทั้งหมดมันก็จะดึงเราไปเรื่อยดึงเราไปเรื่อยมันจะทําให้จิตใจของเราหัวใจของเราห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่ด้ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยในที่สุดเราก็ห่างม้กห่างผลไปเรื่อยห่างศีลห่างธรรมเข้าไปเรื่อยยิ่งมีนิสัยหยาบคายด้วยแล้วเนี่ยออกนอกลู่นอกทางออกนอกศีลนอกธรรมไปเรื่อยก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรในที่สุดก็กูไม่กลับแหละที่นี่เพราะกูไม่กลับมันก็จิตใจก็ตกต่ำ ในที่สุดเราก็ต้องบอกลาคืนสิกขามันเป็นมันเป็นนนเป็อย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่เราตั้งออกตั้งใจเพื่อที่จะมาฝึกฝนอบรมอยากได้อัดอยากได้ทำอยากได้มักได้ผลอยากได้ความอยากรู้ความวิจิตพิสดารความแปลกปราดอัศจรรย์ของจิตความแปลกประหาดอัศจรรย์ของธรรมแต่ในที่สุดเราไปยังไม่ถึงไหนเราก็ต้อง บอกคือเงี้ยมันเป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราะฉะนั้นพกเราต้องตั้งอกตั้งใจทําอย่าลืมประโยชน์ตนอย่าลืมประโยชน์ท่านอย่าลืมประโยชน์ส่วนตัวอย่าลืมประโยชน์ส่วนรวมอย่าลืมประโยชน์ส่วนเกี่ยวที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์การเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็มีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกันคือเราจะต้องบอกขอนิสัยแก่กันเลยกันเพื่อท่านจะได้บอก เพื่อท่านจะได้สอนเพื่อใด้ท่านจะได้แนะนําอันนี้เราก็อย่าลื ม, มประโยชน์ตนอประโยชน์ตนเป็นประโยชน์อหน้าที่ของท่านเป็นของตนหน้าที่ของตนเป็นของท่านหน้าที่ที่เราจะได้ยินได้ฟังคําบอกคําสอนเป็นเรื่องของท่านหน้าที่ที่เราจะอุปถัมภ์บารุงก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับท่านเราตรงนี้เราก็อย่าลืม ให้เราจําไว้แลประโยชน์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ประโยชน์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนประโยชน์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมข้อวัดครูบาอาจารย์ขอวัดส่วนตัวขอวัดส่วนรวมอย่าลืมขอวัดก็คือสิ่งที่เราพึงจับพึงทําเป็นประจํานี่ก็เรียกว่าขอวัดทําอย่างหนึ่งทิ้งอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ก็เสียขอวัดส่วนรวมเนี่ย ถ้าเราไปทิ้งเนี่ยเราก็เสียละเพราะว่าส่วนตัวถ้าเราทิ้งก็เสียเพราะว่าส่วนครูบาอาจารย์เราทิ้งก็เสียยิ่งเราไม่สนใจเลยเนี่ยท่านเป่าบัตรเราไม่สนใจเลยท่านเป่าบัตร <c oughs> ต้องดูแลต้องสนใจต้องใส่ใจต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้นําต้องมีผู้ตามต้องมีผู้บอกผู้สอนแล้วก็ต้องมีผู้ฟัง ต้องมีผู้ชี้นะแล้วก็ต้องเป็นเป็นผู้มีผู้ทําตามมันเป็นปกติของโลกเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเพื่อความสุขแก่ท่านโลกนี้ก็มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้พระเจ้าท่านก็ปลูกฝังมาอย่อยางนี้พระศาสนาก็มีอย่างนี้มีพระศาสดามีพระสาวกพระสาวกก็มีผู้เก่ามีผู้ใหม่ผู้ใหม่ก็ต้องอาศัยผู้เก่าก็วังพึ่งกันแต่กันเป็นลูกโซ่ เป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปโซนพันกันมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เราลบหลู่ดูถูกซึ่งกันกันมันไม่ไม่เป็นศีลมันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นศีลมันไม่เป็นธรรมมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่มีผู้บอกมีผู้สอนมีผู้ฟังมีผู้ทำตามมีอาจารย์มีลูกศิษย์เหมือนกันเถอะมีพระศาสดามีพระสาวกพระสาวกองเก่า อาศติมหาสาวกน่ยท่านว่าอคราสาวกสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอสีติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่นับตั้งแต่พระัญญาโกธัญญาวัปปัติยะมหานามอสิกิมาโดยลําดับพระมหาตัสสปะเนี่ยเป็นมาโดยลําดับพระมหาสาวกพระสาวกขุพระสาวก พระมหาสาวกพระสาวกต้นๆพระสาวกองสำคัญสําคัญตลอดจนพระสาวกรุ่นหลังๆมาเป็นพระอรหารด้วยกันนั่นแหละต้อเป็นพระสาวกก็สืบต่อกันมาอย่าีกอาจารย์ของเราก็เป็นอาจารย์บุตรผาอาจารย์อาจารย์ก่อนๆอาจารย์ตามมาที่หลังนักนัเข้าต่อไปค่เราก็จะเป็นอาจารย์ของผู้ที่จะมาสุดท้ายภายหลังมันสืบทอดกันอยู่อย่างนี้เลยแต่ถ้าหากเราไม่รู้บุญเราไม่รู้คุณเราลบลูะละบุญคุณ ก็คือเราไม่มีศีลเราไม่มีธรรมแล้วแหละยกตัวอย่างให้เป็นอย่างพระเทวทัตอะไรพระเทวทัตบวกกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็แข่งดีกับพระพุทธเจ้าแยกตัวออกไปเพื่อที่จะปกครองสองเองแข่งดีกับพระพุทธเจ้าในที่สุดก็แป่นดินสูขแผนดินสูบก็คือผลกรรมที่ท่านเรียกว่าอนันตยกรรมดงอเบจีมหานรกนั่นคือกรรมกรรมมันมีอยู่ อย่าไป น, นึกไปคิดอะไรตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของกรรมคิดนึกอะไรเรื่อยเปยื่อยแต่อํานาจของความนึกความคิดของกิเลสล้วกล้าแสดงกิริยาทางกายออกมาให้ปรากฏท่ามกลางหมู่กล้าแสดงคําพูดหยาบคายทารุณด่าทอต่อว่าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ามกลางหมู่ท่ามกลางพวกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดโทษ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นแหละท่านจึงให้สำรวจระมัดระวงังมีผู้มีผู้ใหญ่มีผู้น้อยมีครูมีอาจารย์เหมือนเหมือนที่พุทธยาท่านทรงวางเอาไวา้ไปดูในวินยัยอ่ะท่านวางเอาไว้หมดละในวินยัยท่านทรงวางไว้หมดเดี๋ยวไปตะโกนเสียงลัน่นไปเหมือนอย่างที่เขาเรียกร้องอยู่ทุกวันเนี่ยนะ นั่งนั่งข้าวเขาไม่มีบุคคลที่มีคุณวุฒิไม่มีบุคคลที่มีวัยวุฒิไม่มีคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิก็ไม่มีลบล้างไปหมดเนี่ยยกตนเทียมท่านไปหมดความเป็นจริงมันยกตนเทียมท่านไม่ได้เหมือนลูกน่ะมายกตนเทียมเท่ากับพ่อเนี่ยได้ไหมสมมติเราเป็นพ่อแหละลกรูปมายกตนเทียมเท่ากับเราเนี่ยเราพอใจไหม เราพอใจไหมเราก็ไม่พอใจโดยที่แท้จริงมันก็เท่ากันไม่ได้อยู่เดียวลูกมันมันจะมาดีเท่าพอ่อมันจะไม่ใหญ่เท่าพ่อได้ยังไงมันลบล้างบุญคุณกับพอ่อหาว่าพ่อไม่มีบุญไม่มีคุณมันเป็นไปไม่ได้เรื่องบุญเรื่องคุณนี่เราสืบช่วงต่อกันมาโดยลําดับอย่างน้อยๆพ่อกับแม่เป็นผู้มีบุญมีคุณแบบเราทําไมถึงว่ามีบุญมีคุณก็ท่านให้ให้ธาตุให้ขันเรามา ให้เลือดให้เนื้อเรามาให้โครงสร้างชีวิตของเรามาเราปฏิเสธได้ไหมว่าว่าท่านไม่มีบุญไม่มีคุณคําว่าบุญคําว่าคุณก็คือคนที่ให้ให้เราก่อนะเป็นผู้มีบุญมีคุณนี่ท่านอุตสาห์ให้ทั้งเลือดทั้งเนื้อมาให้โครงสร้างของชีวิตเรามา mm. เป็นของเราที่ไหนเป็นของท่านเป็นของพ่อกับของแม่ผสมกันบวกกันเราไปเอามาจางไหนเราไปเอาของเก่ามาจากไหน ของเก like to so ่าของเราก็คืออาศัยพ่ออาศัยแม่กรรมติดมากับใจของเราแล้วก็มาสิงอาศัยพอมาสิงอาศัยสิงอาศัยไปสิงอาศัยไปแล้วก็หลงหลงเพลินยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราแท้จริงอาศัยมาอาศัยของพ่อของแม่อาศัยความฉิ่นยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราว่าเป็นเราลืมผู้ที่ให้เราลืมบุญลืมคุณลืมพ่อลืมแม่ การฝึกวิชาความรู้ก็เช่นเดียวกันเราต้องอาศัยผู้รู้ผู้รู้คือครูคืออาจารย์ที่ท่านบอกท่านสอนเรามาก่อนเพราะเราได้รับมาจากท่านท่านเป็นเป็นผู้มีบุญมีคุณกับเราเราลบล้างบุญคุณส่วนนี้ไม่ได้เวลานานไปแล้วเราเป็นครูเป็นอาจารย์คนอื่นก็มาเป็นลูกศิษย์เราเราก็เป็นผู้มีบุญมีคุณถ้าเคยลูกศิษย์มาลบล้างเราเราจะรู้สึกยังไง นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้หมดสิ่งเหล่านี้เป็นสัพจธรรมเหมือนกันนะเรามาเทียบดูหลักของทิศทั้งหกอะ่ะทิศทั้งหกอะ่ะเช่นอย่างสมมติเรายืนหันหน้าไปเบื้องหน้าเราเนี่ยทิศเบื้องหน้าเราทิศพ่อคือพ่อกับแม่เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่ได้รับอะไรจากพ่อจากแม่ทิศเบื้องหลังเราบุตรภรรยาบุตรภรรยามีความเกี่ยวข้องกับเราอย่นงไร เราควรจะทำหน้าที่ยังไงปฏิบัติปิบัติยังไงกับบุตรกับภรรยาของเรากับพ่อกับแม่ของเราเราควรจะปฏิบัติยังไงกับพ่อกับแม่ของเราทิศเบื้องขวาอาจารย์เนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงกับครูกับอาจารย์ของเราทิศเบื้องซ้ายเพื่อนเราจะปฏิบัติยังไงกับเพื่อนทิศเบื้องต่ำเบาวคือคนใช้เราปฏิบัตจะปฏิบัติยังไงกับคนใช้แล้วก็ทิศเบื้องบนหัวเราเนี่ยสมณพราหมณ์ สมณพราหมงก็คือผู้ที่มีศีลมีธรรมที่เราเคารพนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ทีาเรียกว่าสมณพราหมงเพราะฉะนั้นแต่ละทิศแต่ละทิศเนี่ยเราจะให้เท่าเทียมกันได้ไหมเท่าเทียมกันไม่ได้เหมือนเราเท่าเทียมกับพ่อกับแม่ไม่ได้ฉันใดมันจะต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันในการเราจะมาลบล้างบุญคุณกันในการได้ไหมลบล้างกันไม่ได้เราจะให้เท่าเทียมกันก็เท่าเทียมไม่ได้เหมือนอย่างเรากับบ่าวกับคนใช้เนี่ยเท่าเทียมกันได้ไหม กัเขาเพิ่งพาอาศัยเราเราไปเท่าเทียมเขาได้ยังไงเขาจะมาเท่าเทียมเราได้ยังไงกับอาจารย์ที่เคยเป็นผู้ที่เคารพนับถือเราเบื้องบนสมณพราหมณ์จะให้ท่านมาเท่าเทียมกับเราได้ไหมก็เท่าเทียมไม่ได้เราไปเท่าเทียมกับท่านได้ไหมก็เท่าเทียมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยมาเคารพกันด้วยบุญด้วยคุณมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกันด้วยบุญด้วยคุณถ้าหากเราลบล้างก็คือเรายกตนเทียมท่าน กลายเป็นเราไม่รู้บุญไม่รู้คุณเป็นผู้อกตะตันอยู่อกตะเวทีไม่รู้บุญไม่รู้คุณแล้วก็ไม่ตอบแทนยกตนเทียมท่านยกตนเหยียบย่ำท่านอยู่ร่างไปนี่คือความไม่มีสิ่งคือความไม่มีธรรมหาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้หาความชุ่มเย็นทางด้านหัวใจไม่ได้หาความเคารพนับถือไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเป็นอยู่จริง ใครสงสัยไปดูในทิศหกนะทิศหกต้นสอนยังไงลูกทํากับพ่อแม่ยังไงบ้างพ่อแม่ทํากับลูกยังไงบ้างอาจารย์ทํากับศิษย์ยังไงบ้างศิษย์ปฏิบัติกับอาจารย์ยังไงบ้างเราไปดูมันมีความเกี่ยวข้องกันหมดแหละกับสมณพราหมณ์กับบาวกับเพื่อนกับมิตรเนี่ยควรปฏิบัติยังไงเรารู้ข้อปฏิบัติต่งตางๆเหล่านี้แล้วเราไปประพฤติปฏิบัติตามนั้นเนี่ยเราจเจริญ แต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นในเราเสื่อมนี่พระพุทธเจ้าท่านเอาข้อปฏิบัตทิที่แท้จริงมาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังได้รู้ข้อปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นเพื่อความสุขเพื่อความเจริญกับกับชีวิตจิตใจของเรากับข้อปฏิบัติของเรากับทางปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลของเราสิ่งเหล่านี้จะช่วยพยุงเราไปเรื่อยๆอ มีความเจริญไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดต้ออกตั้งใจด้วยกันทุกคนอพอสมควรละวันนี้